วันนี้เป็นวันอุโบโสถของพวกเราเป็นวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2554เป็นวันเดือนหกดับเป็นวันสิ้นเดือนแรมสิบห้าข่ำเดือนหก พวกเราได้ฟังพระปฏิโมกได้ร่วมกันลงอุโบสถเสร็จชื่นลงไปเมื่อกี้นี้ฟังร่วมกันฟังพวินยัยแต่เป็นภาษาบาลียฟังฟังพระปฏิโมกทุกกลึงเดือนอันนี้คือพวินยัย ว่าพวกเราไม่ได้สนใจเกี่ยวกับวินัยเกี่ยวกับกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันก็ต่างองค์ก็ต่างอยู่ไม่มีผู้น้อยไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีหลักพระธรรมวินัยคุ้มครองพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันไม่ใหมก่ก็มันก็สะดวกสบายเนะี่ยพอมีไม่มีกฎแต่พออยู่ไปนานๆแล้วมันปีนป่ายกันขึ้นไปไม่รู้ใครเป็นใครตัวเองเที่ว่าสะดวกสะดวกนะั่นแหละจะได้ ทนทุกทรมานในจิตใจในเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเมื่อเขาเป็นผู้น้อยเขาก็ไม่มีกฎระเบียบเมืเ่อตัวเองเป็นผู้น้อยไม่เคารพผู้ใหญ่และเป็นยังไงคิดดูให้ดีก็แล้วกันเราจะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขในกลุ่มในหมู่ในคณะไหมมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายสรุปแล้ว ถา ไ, ไว้พวกเราไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีวินยัยเพราะนั้นเรื่องวินัยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งในการอยู่ด้วยกันยานการอยู่ร่วมกันเหมือนกับกฎหมายกฎหมายถ้าคนเราอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะไม่มีกฎหมายคุ้มครองใครมีอํานาจเหนือกว่าก็ข่มเหงกดขี่ข่มเหงผู้มี อำนาจน้อยกว่าสุขภาพร่างกายกำลังกำลังอ่อนแอกว่ากำลังเรามากกว่าบารมีของมากกว่าบริวารของเรามากกว่าเราก็ต้องหลังแกผู้ที่ด้อยกว่าอันนี้เป็นธรรมดาของกิเลสกิเลสของสัตว์ที่ได้ชานกิเลสของมนุษย์เขาว่ากิเลสคำนี้แหละมันลักษณะอย่างนั้นถ้ามีทมอยู่ในใจแล้ว ต้องถือใจของเขาเป็นใหญ่เขาเราถ้าเราไปทําให้แก่เขาถ้าคาเขามาทําให้แก่เราเป็นยังไงนี่แหละคือกฎระเบียบจริยธรรมถ้าพวกเรายึดแนวแถวพระธรรมวินยัยหรือยึดจริยธรรมแล้วจู่จะอยู่มากกันจะอยู่มากน้อยเป็นหมื่นเป็นแสนรูปก็อยู่ด้วยกันด้วยความสงบสุขเพราะรู้จักมองดูตนเอง ว่าเราอยู่ในสถานะไหนในเมื่อเราอยู่ในสถานะหัวหน้าเราก็ท่องทําตนเป็นหัวหน้าหรือรองหัวหน้าเราทําตัวในสนาะรัศนาไหนหรเราเป็นพระเราควรจะวางตนอย่างไรต่อผู้ที่ตากว่าหรือว่าเป็นคณะทายาดโดิโยมที่มาเกี่ยวข้องอย่างนี้เป็นตน้นนี้เราต้องได้วางพระพุทธเจ้าท่านก็ได้วางเอาไว้ ขนาดพระภิกษุพระอานนท์ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าต่อไปภายภาคหน้านี้ยจะปฏิบัติต่อสตรีเพศอย่างไรพระเจ้าค่ะเนี่ยสมัยนั้นก็คงจะยุ่งเหยิงวุ่นวายพอสมควรเพราะโลกวัะสงสารเนี่ยเกิดขึ้นมาก็มีหญิงมีชายเออเป็นคู่กันกิเลสตัวเนี้ยสำคัญมากถ้าว่าไม่รู้จัก แบ่งไม่รู้จักแยกแยะไม่รู้จักไฟบวกคั่วลบมันสปาร์กกันเรื่อยๆมันก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดเกิดไฟไหม้ทุกหัวละแหงไปหมดแต่คั่วบวกลบเนี่ยเราจะแยกกันอย่างไรจึงจะถูกต้องปานนกลกราบถูนพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกว่าอย่าดูอย่าแลเส่นเลยอ น, อนุ์เป็นดี อย่าดูอย่าแลเสียเลยอนุนเป็นดีถ้าหากว่ามีความจําเป็นแล้วพระเจ้าค่ะจะต้องดูต้องแลแล้วจะทำยังไงพระเจ้ากว่าอย่าพูดด้วยถ้ า, าว่ามีความจําเป็นที่จะพูดด้วยแหละพระเจ้าค่ะเพราะมันก็เกี่ยวเนื่องกันแล้วจะทำยังไงให้มีสติถ้าหากว่ามีสติในการพูดในการ ทำทุกอริยบทการพูดการเคลื่อนไหวใจของเรามีสติบ้านนี้เราพูดเรื่องอะไรต้องระวัดนวัดระวังอันนี้คือพิษภัยนะถ้าเรามีสติอยู่กับตัวเองถึงจะพูดจะไงไปก็ไม่มีพิษมีภัยเพราะเรามีสติครอบครองตัวเองอยู่แนวความคิดในการพูดก็ไปตามตามธรรนองคลองธรรมถ้ามีสติแลาวไม่เสียหาย ถ้าขาดเจติติเมื่อไรเมื่อนั้นจะเสียหายนี่แหละพระพุทธองค์ท่านได้ตรัสแนแนวเอาไว้แต่ในครั้งพุทธกาลถ้าว่าพวกเราได้นํามากันกรองไตร่ตองนํามาประพฤติปฏิบัติกันล้วนแล้วจะเป็นคุณค่ามีประโยชน์อย่างมากต่อคณะสงฆ์รทธหรือพวกเราท่านทั้งหลายแต่ว่าพวกเรา ไม่ได้นํำทำคําสอนหรือว่าประพุทธตามอําเภอใจใจชอบแก่ไม่เป็นไรก็ว่าไม่เป็นลายคานี้แหละมันต้องเป็นไรยมันต้องเป็นมีอะไรเพราะนั้นสิ่งนี้ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้พวกเราไปอยู่ณสถานที่ใดถึงจะอยู่ในชุมชนใดกลุ่มมากกลุ่มน้อยก็อย่างที่ว่า เขาอายุมากแล้วอายุแก่แล้วเขามีครอมีกลัวแล้วอย่างนี้เราอย่าไปชลาใจในสิ่งเหล่านั้นคาว่าสตรีเพศพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสตรีเพศท่านไม่ได้ว่าคนคนแก่แล้วไม่เป็นไรเด็กน้อยไม่เป็นไรมันกิมีกิเลสอยู่ในจิตในใจของแต่ละหมู่แต่ละคณะแต่ละบุคคล เขาไม่มีเรามีเราไม่มีเขามีไฟมันมีอันตรายให้ลมัดะวังอันนี้ก็คือพวินยัยข่าวพวินัยที่พวกเราจะต้องฟังจะต้องศึกษาจะต้องประพฤติตนให้ถูกต้องผู้ที่จะหาทางพ้นทุกข์หรือว่า ผู้ที่จะเดินทางไปสู่มรรคสู่ผลต้องสำรวมระวังให้มากในสิ่งเหล่านี้จากนั้นก็เดินเมื่อเราอยู่ในกฎในรละเบียบดีแล้วอยู่ในพ่อวินัยคุ้มครองดีแล้วในสินสองยี่สิบไม่ขาดตกบกพร่องจากนั้นเราก็เดินทางสมาธิสมาธิคือเดินทางด้านจิตใจคือแนวความคิด ผมให้พวกเราเดินสมาธิผมเคยพูดมาไม่รู้กี่ครั้งสมาธินจะคือเรื่องสติเป็นสำคัญสติเราจะพูดไปอย่างอื่นไม่ได้ก่อนที่จะเป็นสมาธิได้ต้องมีสติแต่เมื่อมีสติดีแล้วเราก็มีสมาธิตามมาแต่เมื่อมีสมาธิตามมาจิตใจของเรามั่นคงจิตใจของเรามีหลักมีกฎมีเกณฑ์ จากนั้นเราก็นํามาพิจารณาทางด้านปัญญาเดินวิปัสนาเดินวิปัสนาก็คือเดินวิปัสสนกนึ ก, นกคิดกันกรองไตรตรองหาเหตุและผลให้ใจยอมรับเดี๋ยวในใจของเรานะ่ยมันมีกิเลสขุ่มห่ออยู่ด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะมันจะไม่ยอมฟังเหตุผลของใครๆทั้งหมดมันดันทุลังแต่บัด น, นี้เราได้นํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้า มาเป็นเครื่องนำเป็นข้อคิดให้พิจารณาไตรตรองเหตุและผลเกษาพันเป็นยังไงโลมามันเป็นยังไงนักขามันเป็นยังไง เ, เกษาโลมาณขาทันตาเป็นยังไงตะโจเป็นยังไงกรรมฐานหเกษาโลมาณขาทันตาตะโจนะเกสาผมโลมาขนณขาเล็บทันตาฟันตะโจหนัง อันนี้มันหุ้มไว้หมดแล้วพราะเราหลงผมตัวมากก็หลงขนหลงเล็บหลงฟันหลงหนังเพราะมันมองเห็นตกแต่งให้สวยงามหลอกกิเลสกิเลสหลอกกิเลสไม่ใช่หลอกกันหรอกเสริมกิเลสกิเลสเสริมกิเลสเพราะมันหลงไปมาแล้วก็ นี่แหละเทไงมันมีอะไรเกิดขึ้นยืดยาวเลยเทไงพระพุทธองค์ให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเมื่อเห็นตามความเป็นจริงไงใจของเราเป็นหลงผมขนเล็บฟันหนังเพราะอะไรเพราะไปเสกสรรเพราะไปเพราะไปให้ความสําคัญอย่างนั้นใช่ไหมใจไปให้ความสําคัญในผมขนเล็บฟันหนังใช่ไหม ถ้าว่าเราถลกหนังออกดูซิหนังจะสําคัญไหมเราถลกหนังของเราถลกออกมาให้เห็นกองเป็นกองอยู่กับพื้นอิรร่างกายส่วนอื่นเลือดออกไหลเถือกสีแดงเถือกไปหมดสวยงามไหมอันนี้แหละคือความเป็นจริงเลพระพุทองค์ให้เห็นตามความเป็นจริงในเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วกิเลส ด้วยใจของเราเนะี่ยยอมรับไหมว่าเป็นความมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าว่าเรายังนึกว่ายังไม่เป็นจริงเราก็ต้องฝึกฝนอีกคิดอีกมันเป็นจริงอย่างนั้นทำไมใจหัวใจของเราจึงไม่ยอมมันมีอะไรอยู่ในใจของเรามันจึงไม่ยอมคิดอีกเคสไม่รู้ตีกี่ครัง้งตกกี่หนคือให้มันใจยอมให้มันยอมรับว่า หนังเนี่ยมันเป็นยังไงมันสวยงามไหถลกหนังที่เดี๋ยวนี้เราหลงหนังเห็นหนังเขาผูดผาดเจ็ดสวยงดงามอ่าหลอกตาเราเราควาสวยงามรักนารักใครชอบใจไม่ว่าหนังเขาหนังเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังที่เพศตรงข้ามอ่าหนังหญิงก็ชอบหนังหนังชายหนังชายก็ผู้ชายก็ชอบหนังหญิงเนี่ยแหละมันสวยงามจริงไหม มันมันผูดผาดจริงไหมน่ารักใข้่จริงไหมที่เขาตกแต่งมานั่นมันยังไม่ยอมรับพิจารณาอีกเอาจนมันยอมรับพิจารณาแล้วพิจารณาอีกอยู่นั่เรื่องหนังเออเอาหนังที่มันเน่าให้มันเปื่อยดูซิตลกหนังออกไปมันถลกออกไปต้องเป็นยังไงก็ออกไปกองไว้กี่วันไม่เกินสองวันมะแลงวัน เขียวหึงไปหมดไม่รู้นอนจะเจาะหนังหนังคนแต่ทุกวันนี้หนังของเราก็เถอะต้องชําระกายไว้อยู่เสมอไม่ลู้ขี้เงอขี้ไผออกมาถ้ามันไม่อาบนะสองสามวันเท่านั้นมีกลิ่นเป็นเหม็นสาบเหม็นสางขึ้นมาทันทีไม่ว่าเขาไม่ว่าเราไม่ว่าหญิงม่ไม่ว่าชายเหมือนกันความเหม็นตัวนี้นี่แหละอันนี้คือให้พิจารณา วิปัสนาสรุปแล้วกอวิปัสนาคือวิปัสสน์นึกคิดหาเหตุและผลหาช่องลงเหมือนกับเราประชุมกันหาหลือกันเรื่องต่างๆเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงก็ต้องมาพูดกันในที่ประชุมหาหลือกันหาเลแล้วหาหลิกจนผลในสุดคำพูดของใครที่เหนือกว่าถูกต้องกว่ามีเหตุผลกว่าในที่ประชุมก็ยอมรับเอออันนี้ ท่านพูดจะนี้ถูกต้องแล้วครูบาอาจารย์พูดถูกต้องแล้วจะเป็นใครก็ได้ในที่ประชุมพูดขึ้นมาแล้วถูกต้องนี้ก็เหมือนกั น, เ, นเมื่อเราพิจารณาร่างกายของเราพิจารณาทบทวนและทบทวนอีกจะเป็นเวลาไหนก็ได้เวลาเดินโยกมือก็ได้เวลาบิบนทบบาทก็ได้เวลาฉันยังฉนอยู่ก็ได้จะเวลาไหนก็ได้เวลาพูดคุยอยู่ก็ได้เวลาฟังเทศอยู่ก็ได้แต่ใจของเรามันยอมรับ ไม่เหตุผลนั้นันนยอมรับใช่ไม่เป็นอย่างอื่นที่เราไม่ตะ ก, กอนหน้านี้มันทำไมไม่เป็นอย่างตะ ก, กอนมันใครแค้มันดันอยู่อย่างงั้นนะมันไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมรับแต่บัดนี้เมื่อมันยอมรับแล้วมันทาทำใหม่โอ้ใจมันวางปล่อยวางใจของเรารู้สึกว่าเย็นเย็นลงมีความสุขอย่างมากเลย จากนั้นเมื่อพิจารณาตรงไปเรื่อยๆเห็นเรื่อยๆเห็นตามความเป็นจริงนี้เรื่อยๆใจของเรายอมรับจากนั้นก็ย้อนมาหาใจของเราถึงใจของเราไปรับรู้รับทราบไปปรุงไปแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นจุ้งเหยิงวุ่นวายไปหมดเลนเพราะเหตุอะไรเพราะใจไปให้ความสําคัญในเรื่องต่างๆให้ความสําคัญผมขนและฟันหนังอะไรอย่างไปแล้วยังให้ความสําคัญภายนอกอีก เรื่องยศถาบรรดาศักดิ์เรื่องเงินคำทรัพย์สมบัติเรื่องพัฒนาเรื่องวัดว่าศาสานาเรื่องบริษัทบริวารของตนเองอีกมันมากมายสรุปลักษณะจใจไปให้ความสําคัญในสิ่งเหล่านั้นในเมื่อเราพิจารณาดูแล้วขนาดร่างกายของเรานะยังไม่สําคัญแต่สิ่งเหล่านั้นจะสําคัญได้อย่างไร ดูนะใจนะต้องพิจารณาให้ปล่อยวางนะใจนะในเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านั้นเมื่อเห็นกายของตัวเองชัดเจนแล้วนี่มันไปเองถึงคล้ายๆออามันรวบลัดไปหมดเลยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นมันไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะร่างกายของเราแท้ๆก็ยังไม่ใช่เราจากนั้นก็ดูใจเข้าไปอีก ในใจของเราเนี่ยทําไมไปให้ความสําคัญในสิ่งเหล่านั้นมันมีอะไรเคลือบแฝงอยู่ในใจของเราเนี้ยเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นใจของเรามันนึกคิดมันมีใคราค่าแบบปรุงแต่งขึ้นมาบางทีปุบ๊บมีกิเลสปรุงแต่งขึ้นมามัแบบฟูขึ้นมาอีกลักษณะนหนึ่งกิเลสราคะกิเลสโทสะมันก็โมโหขึ้นมาอีกได้รับหนึ่งนะกิเลสโมหานคือมันหลงมันหลงซะก่อนมันยังค่อยมีราคะ ถ้ามันเห็นตามความเป็นจริงอยี่ยนะราคามันก็หดรั่วอยู่ตัวพิจารณามันจะกำลัดกินดีไปเพื่ออะไรถ้าเห็นตามความเป็นจริงว่าขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราจะไปโกรธโมโหโก้ทาให้แก่ใครเขาพูดกับเรื่องของเขาทำไ ม, มเราจึงไปมุกไปกโกรธไปผูกพยาบาทอาฆาตเขาอย่างนั้นมันถูกต้องหรือเปล่าหรืใจ ขนาดร่างกายยังไม่แช่ตัวตนแล้อีกสักวันหนึ่งนะมันจะต้องทิ้งทั้งหมดนในสิ่งเหล่านี้ในเมื่อเราพิจารณาเอาธทำเข้ามาสู่จิตใจแล้วใจของเราจะไม่กระเพื่อมไม่วุ่นไม่วายอะไรก็ได้เห็นตามความเป็นจริงแล้วปล่อยที่ปล่อยวางที่ใจถึงจะไม่ปล่อยเด็ดขาดแต่เราเห็นรู้เห็นในระดับหนึ่งในรู้เห็น มองเห็นพิจารณาเห็นอยู่ในระดับหนึ่งใจของเราก็จะมีความสุขนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆองค์นะมาปฏิบัติธรรมให้พวกเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นเริ่มตั้งแต่สิลในการอยู่ด้วยกันให้มีกฎให้มีระเบียบ ใ, ให้มีกฎเกณฑ์การอยู่ด้วยกันอย่างพระพินัยของพระพทุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสเอาไว้ จากนั้นท่านก็นสอนแนวความคิดอะไรมันที่มันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นเพชรเป็นภัยพระพุทธองค์ก็ได้สอนพระอานุ์ก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมคือจตตรีเพศอย่างไรอันนี้น่าคิดจากนั้นก็นให้พิจารณาถึงด้านจิตใจแต่เรามาเป็นกรรมฐานพระกรรมฐานไม่พิจารณา เขามาสู่จิตเข้าสู่ใจแล้วเราจะพิจารณาอะไรแต่ละวันต้องดูกายกระดูใจดูใจกระดูกายดูกายกระดูใจนี่แหละไม่ให้ดูที่อื่นมีสองอย่างเท่านั้นอันนี้คือหน้าที่ของพวกเราพวกเราไม่ต้องมีหน้าที่อย่างอื่นเรื่องการก่อรสร้างเรื่องการจัดสถานที่อันนั้นก็เป็นปัจจัยอาศัยเราจะมองข้ามไปทีเดียวก็ไม่ได้เราจะให้ความสาคัญจุดนั้น เป็นจิตเป็นใจจริงๆเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆก็ไม่น่าจะถูกแต่เราจะปล่อยปาดล่าเลยไม่สนใจอะไรเลยแต่เราก็อยู่เสนาสนะเราก็อยู่กับหมู่กับเพื่อนมันก็ไม่น่าจะถูกอีกเพราะฉะนั้นความเหมาะสมอยู่ตรงไหนขนาดไหนคือความเหมาะสมถ้าองค์ไหนทำก็เอออทําให้การสนับสนุนในเมื่อมีความจําเป็นจะต้องขอกําลังเออเราก็เข้าไปช่วย ในเมื่อเราไปช่วยเสร็จแล้วก็อเอาดูแลต่อไปสายญาติยโยมของเขามีหน้าที่เขาก่อสร้างเราค่อยสร้างไปแต่องค์ที่ดูแลเออดูแลไปองค์ที่ภาวนาก็ภาวนาไปนี่แหละถ้อยทีซร้อยอาศัยอยู่ด้วยกันด้วยกดด้วยและเบียบด้วยวินัยด้วยน้ําใจด้วยความเมตตาต่อกันแล้วผมว่าร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันทุกๆองค์ การขอให้พวกเรานะความพร้อมเพียงของหมู่ของคณะความพร้อมพร้อมเพียงของสงฆ์ความพร้อมเพียงอในวัดว า, าศาสนาของเรานี่ยมีแต่ความผาสุกแต่ถ้าว่าพวกเรามีอะไรหลวมปากก็พูดไปมีอะไรก็มีแต่เรื่องผลเรื่องประโยชน์อผลประโยชน์ขี้หมาอะไรมีอะไรคือผลประโยชน์มันจะต้องทิ้งทั้งหมดในโลกก็นะ อันไหนคือผลประโยชน์ผลประโยชน์จริงๆก็คือเนี่ยนะเอาทเข้าสู่จิตใจชำระใจให้บริสุทธิ์นั่นแหละคือผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้พวกเรามุ่งหวังอย่างนั้นแต่ภายนอก น, นนะมันเป็นเครื่องเป็นปัจจัยอาศัยถึงพวกท่านจะอยู่ที่นี่นะไม่อดตายแน่เป็นอยู่อย่างนี้แหละเพราะเหตุอะไรเพราะเราอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยแล้วเราอยากจะรวยพื่ไปเพื่ออะไรย่อรอยย่อจากจะรวยใช่ไหม ถ้าเราอยากจะรวยก็ไม่ควรไม่ควรอยู่ในเพศสมณะไปทำมาค้าขายออกไปข้างนอกเราจะมารวย ก, กับการเป็นอยู่เป็นพระเป็นเจ้า เ, เมันมาทำร้ายทำลายพระธรรมคาสอนของ พ, พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้เสียสละไม่ให้เป็นผู้เก็บหอมลม่มลิบเก็บจนเกินไปการเก็บก็ต้องมีความหมายว่าเก็บเพื่ออะไรจะใช้อะไรเก็บเพื่อใคร ถ้าเก็บเพื่อตัวเองอันนัไม่ถูกต้องถ้าเก็บเพื่อวัดวาศาสนาเพื่อดูแลปมรุงพรพุทธศาสนาอันนั้นก็ต้องได้คิดอีกทีหนึ่งความเหมาะสมมากน้อยอย่างไงแค่ไหนสิ่งเหล่านี้มันต้องอยู่ในหลักเหตุผลอการจะเก็บหรือไม่เก็บการจะรักษารักยังไงหรือไม่รักษาอย่างไงเันนี้ขอให้พวกเราเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องได้คิดนะ ต่อไปภายภาคหน้าพวกท่านเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาจะต้องได้รับรู้รับทราบในสิ่งเหล่านี้ถ้าว่าเป็นพระที่ขี้ตนีทีเหนียวไม่ยอมแบ่งปันใครเสเลยก็ไม่น่าจะถูกปล่อยปลาละเลยจนเหลืองเจ้าจนเกินไปจนไ ม, ม่ไม่รู้จักเขตแดนไม่รู้จักการดูแลพระสงฆ์ปฎิ ว, วารศาสนา เ อ, อเละเทอะเลอะเรือนเกินไปก็ไม่น่าจะถูกแล้วว่าน่าจะถูกนั่นคือตรงไหน น, นี่แหละพวกท่านต้องหาเหตุแล้ะผลเข้ามาดูแลประคับประคองอันไหนคือหลักธรรมวินยัยอันไหนควรจะเก็บไว้อันไหนควรจะแบ่งปันอันไหนควรจะรักษาถ้าเห็นบริขารของสงมาแล้วจะไปแจกแบ่งของสงก็ไม่น่าจะถูกเพราะวินัยคุ้มครองไว้แล้ว ถ้าเราได้ของของใช้มาเราก็ต้องแบ่งปันให้แก่สหธรรมิกเมื่อเราอยู่ได้สหธรรมิกที่มาเกี่ยวข้องก็ต้องอยู่ได้สิ่งเรานี้เราต้องมองเหมือนกันอย่าให้ผมได้พูดนะแหมหมูพวกเพื่อนเข้ามาน้าตรงน้ําตาลมีไม้ครูบาอาจารย์อหมของอยู่ของฉันปโนงปณะนนมีหรือเปลา่าภาพของใช้บริการองไหนขาดบอกนะ พของเรามีนี่แหละเราอยู่ในสถานที่เรามีเราก็ต้องมีน้ำใจต่อหมู่ต่อเพื่อนต่อสหธรรมิกที่มาเกี่ยวข้องหวงไว้ทำไมรักษาไว้ทำไมเพื่ออะไรหมู่พวกเพื่อนก็เหมือนกันที่สหธรรมิถ้ามันมีอยู่แล้วพออยู่แล้วเออพอนี่พอเราก็วัดใหญ่ก็จะต้องไปหาวัดอื่นดีใครขาดหรือขาดตกเราก็ต้องให้ ไปอีกแบ่งปันแบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบธรมให้แกเพื่อนภิกษุสัมมเนนไม่หวงฮะไว้บริโภคแต่เฉพาะพวกเรากลุ่มเดียวพวกเราหมู่เดียวพวกเราคนเดียวฮะนี่แหละถ้าพวกเรามีธรรมอยู่ในใจอย่างนี้ผมว่าอยู่ณสถานที่ใดอยู่ในชุมชนกลุ่มใดมีจะมาพักพวกมาก ขนาดไหนถ้ามีสารานจะทมอยู่ในจิตใจแล้วมีแต่ความผาสุกมีแต่ความร่มเย็นเพราะมีน้ําใจต่อกันทั้งเข้าไปตั้งกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมต่อเพื่อนพิสุสัมมาเรนทั้งต่อนหน้านและรับหลังรักษาศีลเสมอพิสุสัมมาเรนอื่นคือไม่ยอ่อย่อนไม่ให้เขาตำหนิได้ และก็มีทิฏฐิคือความเห็นเหมือนกับพิสูจสมานเณรอื่นทิฏฐิคือความเห็นคือเราต้องการพ้นทุกเท่านั้นเราไม่ต้องการลาบยศสรรเสริญอย่างอื่นทำไงทำยังไงเราจรึงจะพ้นทุกในวัฏสงสารได้นี่แหละคือความเห็นจากนั้นก็แบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบทำนี่แหละอันนี้คือเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษา ต้องเรียนรู้จะ ต, ต้องศึกษาจากนั้นก็นำมาประพฤติปฏิบัติให้มีทำอยู่ในจิตใจอยู่ด้วยการมากน้อยมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นจุกไม่ใช่ว่าหลวมปากก็พูดไปมองเห็นคนอื่นเห็นแต่คนอื่นเห็นแต่ความผิดคนอื่นไม่มองความเห็นไม่ห่วงความผิดของตนเองนั่นแหะคือความเดือดร้อนแสดงว่าครูบาอาจารย์มาส่งใจออกนอก ส่งใจออกนอกไปเห็นแต่คนอื่นไม่เห็นตัวเองฮะถ้าส่งเขามาหาตัวเองนะเขาเราเขาเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเนี่ยเราเป็นอันนี้เพราะอะไรเ่มันมีเหตุมีผลเราจะแก้ไขอย่างไรเราจะให้เขาดีอย่างเราทุกอย่างเป็นไปนอย่างนั้นได้ไหมในเมื่อเขาดีกว่าเราแล้วเราจะไปอิจฉาเขาทำไมเขาทำถูกแล้วนะสิ่งเหล่านี้ ถ้าเรามีทำในใจแล้วเราจะรู้จักเ่ยเราจะรู้จักการวางตัวเรื่าการทําตนอย่างไรในชุมชนและสังคมนั้นๆขอให้พวกเราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นําไปคิดกันกันกรองไตรตรองเหตุและผลผมให้แนวความคิดสําหรับหมู่พวกเพื่อนต่อไปหมู่พวกเพื่อนจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นเจ้าอาวาส หรือจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าจะได้นําความคิดเนี่ยอไปคิดเพราะผมเองก็ได้ศึกษามากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ให้แนวความคิดเอาไว้ความคิดของพระเนี่ยควรคิดอย่างไรควรทําตนอย่างไรให้อยู่หลักพระในอยู่ในหลักพระธรรมที่ไหอย่างไรในการทำด้านจิตใจสมาธิศีลสมาธิปัญญาสมาธิเป็นยังไงปัญญาของพระพุทธศาสนา ปัญญาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนปัญญาอย่างไร่ปัญญาก็อย่างที่ว่าผมว่าเนเห้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นร่างกายสังขารผมขนแล็บผ น, นังให้เห็นตามความเป็นจริงจากนั้นก็เมื่อเห็นตามความเป็นจริงกับย้อนเข้ามาหาใจใจอย่าไปหลงนะใจนะเมื่อไม่หลงกายแล้วก็ไม่หลงอย่างอื่นเห็นตามความเป็นจริงแล้วจากนั้นก็ปล่อยวางปล่อยวางที่ไหนปล่อยวางที่ใจใจหมด กูพ้นจากอาสวะกิเลสนั่นหล ะ, ะจิตใจบริสุทธิ์ไม่ต้องถามหาายใจบริสุทธิ์วันนี้ขอให้พวกเราทุกท่านน ะ, ะวันนี้เป็นวันพระที่วันสำคัญปรบเรื่องเกี่ยกับวิดนัยแก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอันตอนนี้ไปสวดท้ายพระปฏิโมก